นะฟังทำหลวงพ่อเป็นผู้พูดท่านทั้งหลายเป็นผู้ฟังรับรองว่าไม่พูดเท็จจะพูดแต่ความเป็นจริงที่ชีวิตเราสมัมผัสได้และเราทำได้โดยเฉพาะที่นี่ก็คือสอนเรื่องภาวนาเป็นวิชาสูงสุดของชีวิตเรา ถ้าเป็นการศึกษาก็เป็นศึกษาชั้นสูงสุดเพรการเรียนรู้ของชีวิตเราในโลกนี้ก็คือชีวิตไม่ใช่อย่างอื่นชีวิตจะต้องไม่มีทุกข์เราชีวิตมีทุกข์กลัวเสียชีวิตสูญเสียแล้วพลาดแล้วพลาดโอกาสพอไม่โกรธเป็นชีวิตความโกรธว่าพลาดแล้ว พลาดท่าแล้วความทุกข์ก็ชื่อว่าพลาดแล้วคีอเราต้องมั่นคงต้องเป็นปกติการศึกษาภาวนาเนี่ยเหมือนกับการกลับมองกลับจาการศึกษาแบบโลกอกไปออกไปข้างนอกก็คิดก็คิดใช่ความคิดการศึกษาเรื่องภาวนาไม่ได้ใช่ความคิดเป็นการกลับมา แล้วก็เกิดญานนณทัตนาความคิดที่เป็นการศึกษาทางโลกคิดออกไปข้างนอกก็ได้ผลลัพธ์ได้เหตุได้ผลได้ขอ้อทิดจริงอย่างไรที่มันเป็นไปทางโลกวัตถุสิ่งของต่างๆเป็นคุณภาพในเรื่องวัตถุสิ่งของใช่ได้แต่ญานนณทัตนะมองถลุงย่อย ย่อยทุกย่อยอโลกคือร่างกายชีวิตจิตใจของเราแต่ว่าญาณทัศนะ์ <c oughs> <c oughs> เกิดปริญญาเรียนโลทางโลกก็ได้ปริญญาเรียนโลในทางภาวนาก็มีปริญญาปริญญาในทางภาวนาก็คือยาตะปริญญากำหนดโลโดยการโลชีวิตทั้งหมด บางอย่างกำหนดลูดโดยการลู้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เห็นลู้เห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนลู้แล้วลู่แล้วว่าอย่างไรเรียกว่ากำหนดลูดโดยการลู้แ้วลูกก็เฉลยแล้วไปได้แล้วตีลักษณะปริญญาปริญญากำหนดลูดโดยการละโดยการแกกแกง่งแกกออกไม่ให้เป็นขินเป็นส่วน เห็นรูกเห็นนามแก่กอกเป็นกองโูกอย่างไรเป็นกองนามอย่างไรกองเวทนายอย่างไรกองสัญญากองสังขารกองวิญญาณอย่างไรเอาไปวางไว้ที่ตรงนั้นโลกก็วางไว้ตรงโลกอย่าให้เกินนั่นไปเวทนาก็วางไว้แค่เวทนาอย่าเอามาเป็นสุขเป็นทุกข์อย่ามาเป็นความชอบไม่ชอบถ้าเนีมันไม่ใช่เวทนาไม่ใช่ญญาณไม่ใช่ปริญญา ปริยาคือเห็นแล้ววางไว้ตรงนั้นเพาไว้ที่เดิมของเขาสัญญาสังขารวิญญาณวางไว้ที่ตรงนั้นอย่าเอาวิญญาณมาก่อเรื่องอย่าเอาเวทนามาก่อเรื่องก่อเล่าจนยาวจนเป็นความชอบความไม่ชอบความรักความชังเป็นอุปท า, านตัณหาเป็นพภพเป็นชาติอย่ามันไปทั้งหมดนีน <c oughs> ด่ว่าวางแล้วไปแกะแก่งเลว่าติลักษณะปริญญา แกกออกแกงออกจนไม่มีอะไรปริญญาที่สามเยกว่า ป, าปิญญาไปปิญญาดรวยการละเสียละแล้วทาให้สิ้นไปแล้วทาให้หมดไปแล้วทาให้หายไปแล้วหายแม้ก็ทั่งทุกสิ่งทุกอย่างไม่มไงเลยสิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นรุนแรงทำความโกรธให้หายทำความหลงให้หาย ทำความรับความชังให้หายเหลือแต่ปกติเหลือแต่ธรรมชาตินี่คือภาวนาเป็นวิชาการศึกษาที่เราได้ตามแบบพระพุทธเจ้าของพกเราต่วพระพุทธเจ้าของเราก็ได้ตั้งอ๋อสิบเกตสาขาในการศึกษาทางโลกเรียกว่า <c oughs> เรียกว่าลิญญาในทางสาขาต่างๆ ขีม่ม้ายิงปืนยิงธนูฟันดาบอะไรต่างๆตามพสูตรตามตำราว่าเอาไว้แต่ว่าก็ได้ยินแต่ว่าไปทดลองขีม่ม้ากับเจ้าชายทั้งหลายไปรับรองเอไปทดลองยิงธนูไปทดลองฟันดาบตัดต้นไม้เท่าลำตัวขาดจนต้นไม้ไม่ล้ม เ่วทัตตัดต้นไม้เท่าลมตัวต้วนไอ้ล่มทึกทีเดียวแต่ว่าโซ่สิทธิธรรไม่ได้ต้นไอ้มันขาดแล้วแต่มันยังไม่ล่มเพราะความเร็วความคล้อ <c> ง <oughs> จนไม่สะดุดนะอ่นเ <c oughs> วลาเทวทัดก็ดตัดลงไปล่ม ทีเดียวกันย่าปริญญาต่างๆนั้นนั่นเป็นไปของขายนอกเพราะฉะนั้นวิธีที่เราศึกษาอยู่เอ๊ะไม่ต้องได้ใช้สมองอะไรบางทีสมองมารับใช้เราไม่ต้องไปใช้ความคิดจับความคิดมาใช้ศินก็ไม่ได้ไปรักษาศินรักษาเรา สมาธิก็ไม่ใช่ไปสแสวงหาสมาธิเกิดขึ้นเพื่อรักษาเราปัญญาก็รอบรูกดูแลเราอยู่ไม่ใช่ใช่ปัญญาความคิดเอาไปขีดไปเขียนอ น, นั้นไม่ใช่ปัญญาดูแลเราเพื่อไม่ให้มีทุกข์<ม>เห็นอะไรตามความจริงเห็นหมดอะไรที่เกิดขึ้นกับกายกับใจรู้หมดเห็นหมดรู้แล้วเห็นแล้วทำเสร็จแล้ว ความโกรธก็ทำเสร็จแล้วความทุกข์ก็ทำเสร็จแล้วความโลภความโกรธความหลงก็ทำเสร็จแล้วเรียกว่าอริยสัจสี่อริยสัจสี่เ่นทุกข์กันเ่ยทุกก็เห็นแล้วไล่เข้าไปทําให้อ่าได้เข้าไปทําทุกข์ให้หมดแล้วแล้วก็ทําได้แล้วเห็นสมอไทยสมอไทยคือเหตุให้ติดทุกข์ก็เห็นแล้วเราเราได้ไปละสมอไทยได้แล้วแล้วเราก็ละได้แล้ว มันเราเห็นงูเห็นแล้วงูวันนงูจงอางเข้าไปในศาลาหน้าเร้ว่าเห็นแล้วงูดูลักษณะเป็นงูจงอางยาวหัวกลมหัวตโตคอใหญ่ไม่ใช่งูสิงเราเห็นแล้วก็เป็นงูจงอางนะแล้วก็ทํายังไงก็ไล่มันออกมันไม่ออกเอาบ่วงไปคล้องมันถ้ามันออกไปและคล้องได้แล้วหนีจากศาลาไปแล้วงูจงอางจน แล้วก็ไปอยู่ตรงงูจงอางได้ไม่มีงูวันเดิมแล้วทำเลยแล้วหมดไปแล้วปลอดภัยแล้วนะสมุทยัยทุกสมุทยัยนักนักคือวิธีที่จะให้ทุกท่านหมดไฟได้ทําอยู่ได้ปราเมินไปแล้วเล่าทำเสร็จแล้วในโลก็ทําให้แจ้งแล้วแจ้งแล้วไม่มีตรงไหนปิดบังอำพรางในคดีเปเรา เป็นรูปก็ดีเป็นนามก็ดีเห็นหมดเห็นครบเห็นท่วนอไม่ต้องไม่ต้องมีตรงไหนที่ปิดบางอําพางเลยรู้แล้วตอบคำถามว่ารู้แล้วรู้แล้วนี่คือวิปัสสนาเป็นผลของภาวนารู้แล้วรู้แล้วจังไงเพราว่ารู้แล้วตัวเนธมันมีอะไรตรงนั้นในทั้งวิมุตติมีทั้งมรรคมีทั้งอ่นิโรธมีอะไรมีทั้งศีลในทั้งสมาธิมีทั้งปัญญา คำว่ารู้แล้วตัวเนี้ทําอะไรมันครบถ้วนสมบูรณ์อเห็นก็เห็นนันเก่านั่นละ่ะไม่ใช่อย่างอื่นไม่ใช่ศึกษาแบบวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ต้องศึกษาไปเรื่อยๆไม่จบไม่สิน้นเดี๋ยวนี้ก็มีโลกใหม่ๆสมัยใหม่จนเราตามมันไม่ทันจนเทนโลกเอทอย่างเนี้ยอ่ไม่มีอะไรที่จะกําลังศึกษาอยู่กาลังจะหา ยาหายอยู่ขายามาปราบมันอยู่ก็ศึกษาไปเรื่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆอีกหน้าก็คงพบได้ใน ว, วิทยาศาสตร์ข้นไปเรื่อยๆโลกมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็โลกครไขๆเก็บก็ไมีไปเรื่อยๆมันก็สร้างไปเรื่อยๆแมลงต่างๆทีกเขาเอาอยามาปราบศัตรูมันก็ยังหลบยังซ่อนอยู่ได้จนมันล้ลยแรงขึ้นไปเรื่อยๆ บางทีสุดก็ยังอยู่อย่างนี้แหละโลวงก็ไปอย่างนี้ดทีุดก็กลับมากลับมาหาศึกษาแบบโอ้ยีว่าภาพแบบธรรมชาตินะบางทีต้องเลี้ยงตุ๊กแก่บางทีต้องเลี้ยงคางคกบางทีต้องเลี้ยงต่อเรื่องเลี้ยงแตนไปละพวกต่อพวกแตนมันก็หากินมาแรงกินไรไปทีนี้นเราก็เอาอยามาปราบมาฆ่ามันหมดจนไม่มีมันก็กําเริบ ตัวนี้ไร่อ้อยก็มีหนอนอ้อยเพราะไฟไม่ป่าต่อแตนตายหมดหนอนอ้อยนี่ยต่อแตนเป็นผู้ปราบต่วนี้แตนต่อไม่ไ ม, ไมีไฟไหม้มันตายหมดพิ่งก็ไปฆ่าไปตีมนะันตายกำหนดผลลัพธ์ไม่มีอะไรเห็้ห้อยก็ไม่มีมแมลงต่างๆก็มี <c oughs> นี่เลยว่าวิทยาศาสตร์คิดไปทางไปแต่ว่าธรรมชาตินี่ถ้าเข้าสู่ธรรมชาติเนี่ย ชีวิตเราเน่ยบางทีก็ไม่จําเป็นต้องไปกินยากวดหายทําใจบางทีเราอาจจะเวลาเราขั้นเนื้อขั้นตัวเนี่ยทํำท่าจะเป็นไข้เป็นอะไรเนี่บางทีเราก็ช่วยหาทางหาทางเลือกที่ไม่ต้องกินยาเอาไว้ก่อนอย่าไปด่วนกินยาเนี่ยบางทีเราช่วยตัวเองธรรมชาติก็เชืเช่อมแฉมันก็ปล่อยให้มันเชื่อมแฉมก็เชื่อมแขฉงได้ เป็ น, นหน่อยนก็กินยากินยามันก็อ่อนแออ่อนแออ่อนแอมันก็อ่อนแอไม่ไ ม, ไ ม, ไม่สร้างความเข้มแข็งบงาลานกันศึกษาธรรมชาติมันก็ได้หลักดีดีมือนกันได้สู่ความปกติได้สูตรสาเร็จสูตรสาเร็จของกายสูตรสูตรสำเร็จของกิจใจสูตรสาเร็จสูงสุดคือเหนือการเกิดแก่เก็บตายนี่คือสูตรสาเร็จของของหลักภาวนา หลักภาวนาเนี่ยที่เราทําอยู่ภาวนาก็คือนี่หละสร้างตัวลูก็บอกแล้วบอกอีกสอนเล่าสอนดีคือขยันลูนี่นเราภาวนาขยันลูบเอาไว้ขยันลูบเอาไว้ลูเที่ไหนลูเที่นี่แหละลูเที่นี่หรือหลวงพ่อลูบมือเท่านี่ลูเท่านี้แหละแปว่าลูเแถวนี่แหละมันไม่ใช่แถวนี่นะมันตัดอะไรมาแล้วก่อที่จะมาลูบมือเคลื่อนไหวมันผ่านอะไรมามากแล้ว อะไรเยอะแยะไปหมดเลยกว่าที่จะมาลู่สึกตัวเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยตั้งแต่ก่อนมันไม่ลู่สึกตัวมันขนชิดในอารมณ์ที่ขนชิดเป็นโศกเป็นทุกข์เป็นอะไรเยอะแยะไปหมดพอมาลู่สึกตัวมันก็ตัดมาตัดมาตัดมามาลู่สึกตัวมาลู่สึกตัวจนยึดหลักได้จนยึดหลักลู่ลู่ลูลู่ได้ มันผ่านอะไรมาเยอะแยะเหมือนกันก่จะมารู้สึกตัวอบางทีความหลงก็มาเยื่งเราไปความหลงล้มไปอ่ะกลับมาอีกกลับมารู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวความหลงมาได้หลายมุมหลายแงย่หลายมุมหลายรูปแบบความหลงวัตถุที่ทําให้เกิดความหลงก็มีอยู่นี่แล้วซ้ำไปนี่ตาไม่โหนี่จมูกไม่ลิ้นไม่กายไม่ใจอ่ะมันจะ <c oughs> ทำให้เกิดความหลงก็ระ แต่สิ่งที่มันทําให้เกิดความหลงเราก็ไม่ใช่เป็นประโยชน์ด้วยไม่ใช่เป็นประโยชน์แทนที่จะหลงไปพอตาเราก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ความหลงอาจจะเป็นปัจจัยทําให้เกิดความโลภภาวนาเอาไม่ใช่ได้หมดภาวนาวิชาภาวนานีจะมาใช้ให้ถูกหมดแต่วิชาการศึกษาอย่างอื่นเอาใช้ไม่ถูกนะต้องเป็นเฉพาะของเขา เป็นปวดท้องก็ต้องเอาย่าปวดท้องปวดหัวก็ต้องเอาย่าปวดหัวอ่าปวดฟันก็ต้องอาย่าปวดฟันนะก็ต้องหลายอย่างแต่ว่าการภาวนานี่อันเดียวเท่านั้นแหละเอาความรู้สึกตัวรู้สึกตัวเนี่ยไปตะพึดตะพือไปควรู้สึกตัวเนี่ยไม่ต้องไปจับอันนั้นอันนี้หรอกควรู้สึกตัวอย่างเดียวตามันเห็นลูกควรู้สึกตัวหัวมันได้ยินเสียงก็รู้สึกตัว โมกุลได้กินก็รู้สึกตัวลื่นมันในรดก็รู้สึกตัวกล้อยมันสัมผัสความร้อนความหนาวความอ่อนความแข็งก็รู้สึกตัวจิตใจมันคิดนึกเป็นสุขเป็นทุกข์ก็รู้สึกตัวให้เป็นเป็นหนึ่งเดียวการศึกษาที่แท้คือรู้อันเดียวกันทำอันเดียวกันไม่ใช่ขอลายอย่างของจริงต้องเป็นอันเดียวกันเรียกว่าปรมาทภาวะธรรมคือของจริงต้องเป็นอันเดียวกัน ถ้าของที่เรนสมมุติเป็นคนหลายอย่างสมมุติในต่างกันแล้วอ่าคนหนึ่งชอบอย่างหนึ่งคนหนึ่งชอบอย่างหนึ่งอเรนสมมติไป <c oughs> สมมุติบัญญัติแต่ความชอบที่เราเคยชอบกกลายเป็นของเกลียดก็มีในเรนสมมติบัญญัติของที่เราเคยสุข ก, ก็กลายเป็นความทุกข์ก็มีของเเราเคยเล่าก็กลายเป็นความชังก็มีสมมติบัญญัติมันเป็นของ สมุดขึน้นตั้งขึ้นเป็นบัญญัติตั้งขึ้นนะแต่ว่าสมติบัญญัติจนเปรละมัดสัจจะไม่ได้ตั้งขึ้นมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นว่าอันเดียวกันความหลงก็หลงหลายอย่างแต่ความรู onda, ้อันเดียวกันมันหลงคือตัวรู้มันสุขคือตัวรู้มันทุกข์คือตัวรู้ ตัวรูดตัวเดียวตัวรูดตัวเนียเรามาตั้งหลักตรงนี้เรามาสร้างตรงนี้ตัวรูดตัวเดียวตัวรูตัวรูดสดตัวเดียวเนี่ยมันมากมันมีพลังมันเป็นใหญ่ไม่อำนาจมันเด็ดนั่นก็มันก็เฉลยได้ทั้งหมดเอาไปอะไรก็ใช่อะไรก็ได้เนี่ยนีคือเรามาสร้างตัวนี้แล้วคองมรู้สึกตัวตัวนี้ก็เป็นสาวลเชื่อ้วย ไม่มีการไม่มีเวลาไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ลัทธิไม่ใช่ในกายไม่ใช่ชาติไม่ใช่ภาษาไม่ใช่เพศใช่ไหวรู้เมื่อไรก็คือความรู้สึกตัวตัวรู้ตอนเช้าก็ความรู้สึกตัวรู้ตอนเย็นความรู้สึกตัวรู้ตอนน้อยก็ได้คือความรู้สึกตัวหายใจก็คือความรู้สึกตัวกินน้ำลายก็คือความรู้สึกตัวพริบตาก็คือความรู้สึกตัวเคลื่อนไหวไปมาก็คือความรู้สึกตัวยืนเดินนั่งนอน คือความโูสุกตัวคิปไปไหนๆก็คือความรู้สุกตัวอานนั้นนะความรู้สุกตัวนะี่มันเป็นจ ร, รจริงๆแล้วเป็นสากลจริงๆความรู้สุกตัวนี่เนี่ยขนาดนี้เราจะยังพลาดเราจะยังเฉยเมยได้อย่างไรยังไปควอของปลอมๆอยู่ได้อย่างไรบางคนไปคว้าเอาของเอาความรักเอาความยินดีเอาความยินไล่เรียกร่องให้คนอื่นรักเรียกร่อง ปารธนาไปโน้นจ้ะไปเอาสมรถไปเอาบัญญัติซึ่งไปเอาคนอื่นมาเป็นหัวใจไปเอาสิ่งอื่นมาเป็นหัวใจจนเกิดโรอหัวใจหัวใจดตกเลยใช่ไหมเขาว่าอะไรจะมันโลคอกหักเสียใจไปจ้ะเรืไม่ต้องไปหัวใจอกหักอะไรเรารล่แล้วเรารู่แล้วโู่แล้วทานายได้เลยอ่า หลักทำนายคืออะไรหลักทำนายโลกคืออะไรคือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนนะทํานายตัวเราก็เหมือนกันนายการลวนนี่ที่ผูกข้อมือเราอยู่นี่มันก็ไม่เที่ยงมันก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เงี้ยไรเหมือนคาถารัทบาลพ่อแม่เอาเงินมากองให้ก่อนที่พ่อแม่จะ เ, เงินมากองให้ ตอนนั่นรัฐบาลไปเป็นทบบาดหน้าบ้านนึกว่าจะเห็นพ่อเห็นแม่เนื่อว่าพ่อแม่จะได้มาใส่บาตรัฐบาลก็อุ้มบาตเดินไปหน้าบ้านเป็นโลกเศษรษฐีนายเศรษฐีต้องให้เห็นพ่อแม่พ่อแม่อยู่ในบ้านก็เห็นสาวคนใช้ถือภ า, าชนะขนง มาตั้งเต็มถาดไม่ว่าเขาจะามาเทเสบาทท่าใดเขาจะไปเทใส่ขยะเอาไปทิ่งเพราะขนมมันบูดมันน่องแล้วส า, า, า, าวใช้จะเอาไปทิ้งรัฐบาลก็ถามว่าน้องหญิงจะไปเททิ่ยงหรือจะเอาไปทิ่งเมื่อเทเสบ่าหลวงพี่เนี่ยน้องหญิงคนสาวใช้ก็นั่ ง, ง, งนนก็จําหน้ารัฐบาลได้ก็เลยก็ สงสัยลองเล่จะก็บอกเอาห้องแทนห้องเยินมาใส่บาทรเราเนี่ยเออก่อมาเทใส่บาทรรัฐบาลโอ้บาตรใ่ขออนมบูรไปที่สาวใชยก็ไปพูดให้พ่อเศรษฐีแม่เศรษฐีฟังว่าหลวงพี่รัฐบาลแท้ๆหนูจําได้แล้วทํางไงเธอหนูเอาขนมเนี่ยหลวงพี่บอกให้เอาขนมที่เอาไปที่งใส่บาทพ่อเศรษฐีเออตายแล้วตายแล้ว อายแล้วไม่ได้ไม่ได้กินหรือกินอ็อเลยไปใ <i> นม์มาบ้านโกรธเพราะโชายกินขนมบด อ, อะไรก็ไม่อไม่อยากทำไมไปกินขนมบดบดก็ในม์รัฐบาลมาบ้านมาบ้านก็ไม่ทำอะไรขนเงินขนทองมากองไว้กองของพ่อกองของแม่ กองของรัฐบาลนี่กองใหญ่สองเท่าของพ่อของแม่ในกองของพ่อนะในกองของแม่นะในกองของโลกนะรัฐบาลพูดอะไรรัฐบาลพูดว่าโลกนี่พล่องอยู่เป็นนิจเป็นธาตุของความอยากไม่รู้จักอิ่มโทดคําที่หนึ่งโทษคำที่สองว่าโลกนี้ไม่มีใครเป็นใหญ่ได้ ื่องละทิ้งในสิ่งทั้งปวงไปจะไม่ได้ไม่รู้อะไรมาสี่ห้า 4, ข้อนะอาถารัฐบาลเมื่อเท่านี้รัฐบาลก็กลับกติเลยกลับวัดเลยพอแม่ก็ไม่ไ ม, มีทา ง, ทงหมดทนทางมันมันพร่องกิ่งๆโลกนะคราจะไปหาความอิ่มจากโลกความรักความชังความสุขความทุกข์ที่อาศัยอาเม็ดมันไม่รู้จะกินก็ทายได้เลยเนี่ยมันพร่องมันไม่เที่ยง ไม่มีใครเป็นใหญ่ไม่ใช่ตัวใช่ตนแม้แต่ร่างกายเหล่านี่มันก็ไม่ใช่ตัวตนมันเป็นของธรรมชาติมันไหลไปอยู่เห็นความโกรธก็เออนี่มันไม่เที่ยงหรอกนะเห็นความทุกข์ความรักความชังนี่มันก็ไม่เที่ยงหอกมันเกิดขึ้นเพรอเหตุพรอปัจจัยทำมาเลยพอถึงคราวที่มันเป็นไปก็อบอกว่าเรารู้แล้วเรารู้ตั้งแต่โน้นหลวงพ่อพูดในวันที่สิบสามตุลาคมตอนเช้าวันที่สิบสาม บอกว่าหลวงพ่อบอกให้ทํานายทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันไม่เที่ยงหรอเห็นแล้วก็ว า, างได้ไม่อยู่ในตัวเราก็มีอยู่กับคนอื่นก็มีวัตถุอื่นสิ่งอื่นมีทั้งนั้นในโลกในทุกตัดสินใจไปแล้วความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนความเป็นทุกข์ทุกของโลกหายใจนี่ก็เป็นการแก่ทุกข์น้ําลายก็เป็นการแก่ทุก ติตะก็แจ่ทุกยืนเดินนนอนก็แจ่ะทุกกินข้าวก็แจอทุกถ่ายหนักถ่ายเบาก็เจินทุกก็แก่ทุกคืออริบทต่างๆในโลกนี้มันเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นเวทนาของเขาอยู่หนักอยู่ร้อนอยู่หนาวอยู่อันนี้มันเป็นทองธรรมาชาติของเขาเราก็รู้ลู่อย่างนี้แหละรู้ย่งนงี้งงแหละก็ เ, เรียกว่าปัญญาลอบรู้ในกองสังขาร สังขารทุกอย่างกิตัวสังขารตัวสมุทยัยที่มันเกิดมาเป็นสมบัติของโลกนะแต่แถ้าเราไม่รู้เรื่องนี้ก็มันจะพลาดถ้าเรามาลู้เรื่องนี้ก็เออมีค่ามากชีวิตของเราเกิดมาเพื่อรู้เรื่องนี้ถ้ารู้เรื่องนี้ ก, ก็ก็ถือว่าเป็นอริยะมากคือไม่มีภัยเพราะเรื่องนี้ไม่มีภัยเพราะความ ไม่มีภัยเพราะความโลภความกดความหลงไม่มีภัยเพราะความละความชังไม่มีภัยเพราะการได้การเสียไม่มีภัยเพราะความรลอนความหนาวความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเลยไม่มีภัยมันแก่ก็มาภัยความแก่มันเจ็บก็มาภัยความเจ็บเราก็กำหนดรู้โดยการลุกกำหนดรู้โดยการแก่แก้นกำหนดรู้โดยการละบางอย่างก็กำหนดด้วยการอ่ลุกโดยการลุกกำหนดรู้โดยการบรรเทา กำห น, นดลู่การละแล้วก็เกี่ยวข้องกับสิยงเราเนี่อย่างถูกต้องเป็นปัญญารอบรู้ในกองสังขารจีวิตเรามันก็อ <c oughs> อิสลาภาพนะเกิดมาวันหนึ่ง <c oughs> นาทีหนึ่งเท่าไรก็เป็นอิสลาภาพปลอดภัยไม่ไมตไพร์เนี่ยวิชาภาวนาวิชาภาวนาที่เราศึกษาอยู่นี่ เห็นก็เห็นอยแล้วเห็นของจริงเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจมันคิดเห็นมันเป็นเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์ในโลกในนามเห็นอาการเห็นธรรมชาติอาการของกายก็มีมากมากอาการของจิตใจก็มีมากมากหลงพ่อก็บอกแล้วว่าให้ตอบว่าเป็นอาการอย่าไปตอบว่าเป็นความโกรธอย่าไปตอบว่าเป็นความทุกข์ อย่าไปตอบว่าเป็นความโลภความหลงเป็นอาการถ้าตอบเป็นอาการนันก็นิดหน่อยไม่ไปไกลแค่พิษตาเดียวมันก็กลับคืนมาถ้าตอบว่ามันความโกรธเป็นความทุกข์มันก็ไปไกลจนเอื่องไม่ถึงจนเอาไม่อยู่ท <c oughs> าเมื่อวานไปเทศงานบุญงานกรถินเขา อที่เขาทาบุญ <c oughs> สามีเขาถูกฆ่าถูกฆ่าก็ไม่ใช่คนอื่นพี่น้องกันฆ่าฆ่าตายามัน ไ, ไกลๆกันฆ่ากันตายความคิดความโกรธความโกรธทําให้ฆ่ากันตายถ้าเราล้วนมันเป็นอาการมันไม่ไปไกลมันไม่ไปไกลขนามันก็นิดหน่อยอย่างเกิดขึ้นกับเรายังไง มีผลกระทบข้างเคียงเป็นวัตถุอันหนึ่งอันสองบุคคลผู้หนึ่งผู้สองไปไม่มีเพียงแต่รว่าเป็นอาการเท่านั้นอมันก็มันก็อยู่แล้วมันกงไปไม่ไปไกลแล้วรู้แล้วทุกคนรับผิดชอบตรงนี้สุกคนดูแลตรงนี้กันทุกคนทุกชีวิตทุกชีวิตต้องรับผิดชอบตรงนี้เมื่อรับผิดชอบตรงนี้แล้วมันจะเกิดอะไรผมเขาว่าไม่ต้องในคุกในตาราง จะเป็นสันติภาพจะเป็นแผ่นดินราบหน้ากองใสต้นกละพือเกิดขึ้นทุกสีม่มุมเมืองไม่มีใครไม่มีใครเบียดเบียนใครไม่มีใครที่จะไปอิจฉาไปทําหน้าที่ของใครของเรามีปัญญาสามีรักเดียวใจเดียวทําหน้าที่ช่วยเหลือกันไปเนี่ยอพี่รู้สองห้องรู้หนึ่ <c oughs> ก็ก็ทำงี้มันน่ในโลกไหนๆก็งีอย่างนี้ จะเป็นคนชาติใดพราชาตใดก็อันเดียวกันรู้อย่างนี้เลยว่าสัจธรรมพลังมัดสัจจะของที่เราทำได้แต่เราไม่ทำเราไปทำอย่างอื่นแล้วีวนี้สมพันธมิตรมก็ไปถล่มอาการนิฐานเพราะว่าเขาจะปราบสันติภาพโดยอาวุธเอาความแค้นกันความแค้นจนคนจน พลีพขีบขับเครื่องบินชนตึกเซ็นเตอร์ขับเครื่งบินชนกลาหง์นเนี่ยมันแช่งกันมันไม่มี์เาแพรเอาชนะจนันทรนไม่มจบไปเช่นพระพุทธเจ้า ว, ว่าไม่ใช่ของจร่งพระเจ้า ว, ว่าอัตหาเวชิตังเสยโยชนะตนนั่นแหละไปิดเผยการชนะคนอื่นร้อครั้งพันหนไม่ไปเปิดเิยเลยการชนะตนครั้งเดียวไปิดเผโดยแท้ เราโกรธเรอชนะความโกรธที่เกิดขึ้นกับเราเราทุกข์เราชนะความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราเพราะเรามีสติมีความรู้สึกตัวลองดูซินะถ้กลับไปบ้านส า, สามีโกรธภรรยาโอ้หลวงพ่อบอกว่าเอาชนะความโกรธด้วยควาไม่โกรธเลยไม่ได้ด่ากันสามย า, าโกรธสามีด้วยเอาชนะความโกรธด้วยควไม่โกรธไม่ต้องไปด่าก็ได้เนี่ยต่างคนต่างรับผิดชอบตรงนี้กันดูนะ มีสติเต็มที่แต่ว่าต้องมีสตินะถ้ามีมีสติมันก็เก็บตัวนะเก็บปวดของโปวดก็ทําให้เจ็บปวดปวดที่จะเยี่ยวยาได้ก็เออลองเยี่ยวยาได้นะ <c oughs> รับหนึ่งถึงสิบลองดูอย่าด่วนอยด่วนอย่าดว่าดวนด่ากันราไหวรอไหวนับหนึ่งถึงสิบหายใจเข้าหายใจออกของโปรดมันก็เป็นถ้าเป็นน e ี่โครตีนก็เป็นโลกกันนึ่ง มันก็เราติดปุ๋ยถ้าไม่สูกไม่ให้มันไปไม่มันมันก็หายได้หายไปตามลมหายใจหายไปทางเหงื่อหายไปทางหนักทางเบาของกลัวก็อานั้นให้มันออกไปทางหายใจเข้าหายใจออกจริงจริงนะหายใจเข้าหายใจออกบางทีมันรักษาอาภาษณ์ได้อะนั่งดีๆเนี่ยหายใจเข้าลึกๆเติมความรู้สึกเข้าไป ออกยาวๆเติมความรู้สึกเ ข, าข้าไปให้มันยืนความรู้สึกตัวมันเป็นโอสดนะสกตัตตวะพุทธลัตตนังโอสถังอุตมังหลังเฮตังเตวานุสสลังพุระเตเคลาโสตินานาสัตุปัตตวสะสัพเพทุกขาโลปั ส, สมาตุเตยมันมันแก่ได้แต่พอโลกที่เกิดขึ้นกับจิตเนี่ยความโกรธยังถือว่าเป็นโลกนะความรักความชังถือว่ามันเป็นโลก ความวิตกกังวลเศร้าหมองมันเป็นโรคนะเราศกดตะวะพุทธลัตตนังสักดิตะวาธรรมลัตตนังสกดิตะวาสังขลตตนังเขาก็เอาไปตลูกเสกอย่าเอามาให้หลวงพ่อเสกก็ได้สกดิตะวาพุทธรัตตนังเสกลงไปมันก็เป็นปลายเหตุเสมอเสกเราเนี่ยมังสกุลเราเนี่ยลองเสกโดูสิหายใจเข้าตัวรู้เลยเป็นพุทธาแล้ว ตัวระวังสำรวมมาเหตุผลสวจาพลุษ ส, าาษส ก, กายเนีย่ยปกเสกลงไปเนียกว่าสำรวมลู่เสกเอาไว้ลูเสกเอาไว้เสกลงไปถ้าจะบอกก็อย่างพระท่านบางสกุลอันิจจาบรสังขาามันโกรธเราเือแ่ สังขารตัวอันโกรธเนี่ยมันปลุงเราจังโกรธแล้วเนี่ยอันนี้จาบัดสังขารเจ้าสังขารหรือไอ้เจ้าสังขารนี่สร้างเลยก็ได้เลยสร้างให้นักสร้างให้ชัง่งสร้างให้โกรธสร้างให้โลภสร้างให้ลใ ห, ลหล่หรือเราเรื่แล้วอุปเทวะจะทำเมโนโนเราไม่ยึดเอาดอกควาโกรธเราไม่ยึดเราวางแล้วเราคิดตวาในิลติชันติ แก่ได้แก้ได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ความโกรธเปลี่ยนไม่โกรธหลวงพ่อก็ว่าแล้วว่าอีกหลวงพ่อเลยพูดภาษาไทยถ้ามันโกรธก็เป็นไม่โกรธเลือกว่าบังสกุลตัวเองเต๋อสังโมปะโมจุโกอยู่เป็นสุปนะถ้าเปลี่ยนขอบโกรธไม่โกรธถ้เปลี่ยนขอบโกรธนะไม่ให้โกรธจะอยู่เป็นสุขนะสุกกิงกิแทนที่จะด่ากันเลยไม่ได้ด่ากัน แทนที่จะทะเลาะกันเลยไม่ได้ทะเลาะกันอยู่เป็นสุขสมานสมาธีกันไปทุกคนต้องเยียวับตัวเองรักษาตัวเองชีวิตในโลกเนี่ยห้วงพอถามอืมสามคนไรเยอรมันคนในโลกมีอยู่หกพันล้านคนใช่หกพันล้านหกพันล้านคนเนี่ยหกพันล้านคนเนี่ย ออกคล่านกลัวคนเนี่ยทุกคนมารับผิดชอบมีสติมีสติรู้สึกตัวรู้สึกตัวมันจะเป็นอะไรหลวงพ่อว่ะมันก็สงบท่านเองนทุกคนมีคนรู้สึกตัวมีคนมีคนรู้สึกวัวอ้ายกลับไปบ้านวันนี้คนหนอโรพยาบาลกลับไปบ้านไปรู้สึกตัวจะสงบไปรักษามีบุตรมีพัญญามีสามีเป็นหนุ่มเป็นสาว รู้สึตัวรู้สึกตัวมาช่วยกันมาช่วยกันมาแบ่งกันมาทำความดีมาคิดดีมาพูดดีเนี่ยอันนี้พิสูดเอาความรู้สึกตัวใช้ได้จริงๆไหมเอาไปใช้ดูแล้วก่อนที่จะเราจะมีความรู้สึกตัวเราต้องสร้างนะต้องสร้างให้พร้อมเมือนเรามีเงินล้วก็ใช้เงินเรามีความรู้สึกตัวล้วก็ใช้ความรู้สึกตัวของเรา เป็นอริยสัพพมรู้สึกตัวอย่าไปจนคนจนของรู้สึกตัวก็คือทุกนันละ่ะเพราะจนถึงทุกเพอาจนถึงโกรธเพรจนจึงโลภพรจนจึงหลงถ้าไม่จนคงรู้สึกตัวจะไม่ทุกจะไม่โลภจะไม่โกรธจะไม่หลงจะไม่เป็นอะไรเลยมีแต่ความรู้สึกตัวมีแต่ความรู้สึกตัวอิ่มเอิบอิ่มอกอิ่มใจเต็มอกเต็มใจไม่พลัดพิ้ง เป็นชีวิตสู่ธรรมชาติเป็นชีวิตที่สู่ปกติเนี่ยสู่ธรรมชาติสู่ปกติไม่สิ้นเปลงพลังงานเป็นกายกรรมวิจิกรรมมโนกรรมที่เป็นทางสุดเจตลิคิดดีพูดดีทําดีเนี่ยเมืชั่คนก็อยู่ตรงนี้กันทั้งหมดเราจะมาสร้างวิชาภาวนาวิชาสันติภาพ วิชาภาวนาวิชาสร้างสันติภาพวิชาอริยะไปจากข้าศึกผู้ไม่มีข้าศึกในชีวิตผู้เห็นชีวิตครบถ้วนสมบูรณ์แบบไม่มีตรงไหนที่ไม่รู้เลยสิ่งไหนที่เกิดขึ้นกับกายกับใจรู้หมดรู้ครบรู้ถ้วนวิชาภาวนาเป็นไปเพื่อความดับทุกข์เป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อไปรู้นิพพานเย็น สดเ่อ ม, มีเสียเย็นทางใจเราบอกแล้วอบอกอีกความเย็นใจความใจเยน็นใจที่มันเย็นแล้วไม่มีไออุ่นไออุ่นของใจคืออารมณ์อิทธาลมอนิธาลมเรีว่าไออุ่นของจิตใจอิทธาลมอนิธาลมคืออารมณ์บวกบวกลบ อารบกบกกลุกมันใช่ไหมได้เรี ว, ว่าอิดทะลมอนิทะหลบเหมือนเลือดบวกเวลานก็มีคนตายคนหนึ่งเลือดบวกเลือดบวกก็คือเป็นโรคเองถ้าเป็นขอบความบวกของเลือดเพราะฉะนั้นอิดทะลมอนมอิทะหลบเนี่ยเป็นเป็นเรื่องของกิจใจถ้าเป็นอิดทะลมอนมิทะหลบแรียว่ามีโรคอยู่ อิสศลภาพอิสศลภาพก็ไม่มีอย่างนี้ไม่มีอิตาลุมอันนีทาลุเป็นชีวิตล้วนล้วนเป็นชีวิตปกติเป็นชีวิตบริสุทธิ์เป็นพรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบรูรณ์สิ้นเชิงอัฏฐพยัญชนะอัฏฐลึกซึ้งปภิญชนะแสดงออกอัฏฐลึกซึ้งรู้ได้แต่เพราะพระอริยเจ้ามีศีลมีสมาธิปัญญาโอ้ลึกซึ้งเดี๋ยว่ตรงไหนกน็เป็นที่ลื่นลม โยคะเมย์อะไรโยคะเมย์ยัตถะอันหนึ่งตังภูมิลำเมนื้อยะกันพระอริยเจ้าอยู่ที่ร่นมก็ตามอยู่ที่ดอนก็ตามอยู่ที่บ้านก็ตามอยู่ที่ป่าก็ตามที่ใดๆก็เป็นที่ลื่นลบเนี่ยเป็นที่ลื่นหลบไม่มีไัยเรียกว่าอริยะคือชีวิตที่ไม่ดีภยัยเนี่ย ไปคือความทุกข์ความโกรธความโลกความหลงความรักความชังซู่ซ่แฝดแฝดไม่มีโลกโลกก็คือยินดียินได้เป็นขาดส็จยินดีก็คือบวกยินร่ายก็คือลบอารมณ์บวกอารมณ์ลบมันใช่ไม่ได้ต้องเป็นปกติเป็นปกติเป็นปกติเนี่ยไปอยู่กับโลกก็ไปช่วยโลกช่วยเราช่วยโลกช่วยครกบคใกล้ชิดนะ โอ้ดีจะเกิดมีพัญญามีสามีมีลูกด้วยมีคนข้างเคียงยิ่งเป็นนายแพทย์เป็นพยาบาลเป็นแพทย์หญิงเป็นนายแพทย์เป็นพยา่าลโอ้วันหนึ่งเราได้ช่วยก่อนแต่ถ้าเราไม่มีนี่นะเราจะบรรยากาศจะไม่ค่อยดีครบแต่คนที่เสียศูนย์มาน้ อ, องพ่อไป <c oughs> สอนธรรมที่ อ่าสิงคโปร์วัดอะไรหน้าจําไม่ได้อามันตเนียรอะไรเนี่ยอาจารย์เรายี่กี่ไม่ได้ไปนะไปกับท่านชานที่วัดนั่งอยู่ไม่งมาช่วยผมด้วยไม่ช่วยผมด้วยผมจะเป็นบ้าไปกับเขาแล้วเนี่ยมาช่วยกันมาช่วยกันะจะเป็นบ้าไปกับคนบ้าหรอผมนี่คนบ้ามาหามานั่งอยู่ มานั่งอยู่สองเมนก็ไมไ ป, ไปเดี๋ยวก็พ่เราพ่อนั่งอยู่นั่นนะไปนั่งแทนนี่นั่นเดี๋ยวก็ยกเงในเสีก็ของนกับภรรยาของตัวเองเอานันมาถวายหลวงพอ่อเอามาถวายหลวงพ่อหลางพ่อก็เอาเวียนขึ้นไปให้ให้ภรรยาเขาเวลาเขาไม่เห็ น, หนามาหลวงเอานะเอามาถวายหลวงพ่อก็ส่งเคนให้ภรรยาเขาเอ็เอาขอเมันภรรยาเอามาถวายหลวงพอ่ววอ เรีนไปอ่นันโอ้ยจาหลวงพ อ, อได้ได้เงินหลายบาทนะเรเรียนจะ เ, เป็นม่คนแต่ ว, ว่ามีเป็นบาท เ, <c oughs> เรามีความรู้สึกตัวเราพอจะว่าเพาื่นอนน่ะเครียดเลยเอายัางไรสอนอย่างไงเอาอ่าไรบางทีก็มากรางขามาจับหัวเข่ามัมบุปไสเออยังไงก็ทำอางงา่างราาไรถ้าเราไม่มีหลักชีวิตของเรามั่นคง นะอยู่กับคนเสียศูญ์ไม่พบคนดีเลยได้กระทบไ้เสิ่งไรล้มไม่ดีกับนามว่า น, น่าเสียศูนที่ว่านเปิดเพื่อนมาเอก็ได้นะถ้าเราไม่มีหลักนะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดความเป็นหมอการช่วยคนชีวิตของเราเรียนวิชามาช่วยคนจริงๆคนที่เราช่วยไม่ใช่คนดีเลยคนทุกข์มากมากร่องห่มล่อ ง, ห, อองห้ ไปเป็นบ้า ไ, ไปก็ไม่พราะนั้นนี <c> ่ <oughs> จำเป็นมากมาจะมาเรียนหลักของชีวิตให้มันลูกลูกชีวิตอย่างเดียวลูกชีวิตอันอื่นหมดเลยไม่ว่าแต่ชีวิตของคนห่ะในโลกในลูกหมดลูกอันเดียวกันต้นไม้พวกเขาเมื่อเราเรียนรู้ล่วงสมัย รู้เลี้ยงสมุนธาภัยจะเกิดความรักตนน้อธรรมชาติถ้าเรียนรู้เรื่องชีวิตเราจะเกิดความไม่กลัาต่อทุกสรรพสิ่งไม่มีใครเป็นศัตรูเราเลยเกิดปรารถนาดีเกิดความดีต่อทุกสรรพสิ่งเข็มพระพุทธเจ้าของเรามีพรามตนหนึ่งโปรดพระพุทธเจ้า่างมาก พราะไม่ชอบลูกสาวของตดตามตอนนั้นก็ด่าลูกสาวก็โกรธไปดักตามลวงพระพุทธเจ้าจะเดินผ่านมาทางนี้หรอจะตั้งใจด่าให้มันฉะใจพอพระพุทธเจ้าเดินผ่านไปรุดออกมาไอ้ชาติแกไอ้ชาติโดูดไอ้ชาติโคไอ้ชาติหมาพระพเจ้าเยือนฟังพอด่าแล้วมันง่ายนคนด่าไงใช่ ด่ากัน <authority> ถ <okee> ึงสี่ชั่วโมงไหมไหมไม่มนเหยมือกันนะนด่ากันเลยก็าบงคนเหนอยเลยมันด่ามันพลังงานมันใช่มากนะกลองดูก็เลไอ้ด่ากันช็อตช็นอไปไม่หลอดด่าก็หยุดเะยหยดเลยเลยามาไม่ว่าอะไรล่ะไม่ว่าอะไรรเาเดินผ่านไปพเจ้าก็มอีกพระเจ้าก็มาอีกพาม้วก็ได้ นาไปดามาก็พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้โกรธไอพรามตอนนั้นก็เปิดกูดดา ม, มึงเห่อมึงทําไมไม่โกรธนา ม, มนึงเลยถ้าดา ม, มึงก็ไม่โกรธแล้วมันยังไรนี่นี่พามถ้าแขกมาบ้านอ่าพราม์จะทำยังไงต้อนรับเขาทําอาหารการกินให้เขากินถ้าแขกเขาไม่กินอาหารที คามทำแล้วอาหารไม่ได้เป็นของใครเป็นของเจ้าของบ้านวันนี้อาตมาไม่ได้รับตกคามที่เกิดไปอะไรก็ตามอาตมาไม่รับเมือ่ออาตมาไม่รับเป็นของใค ร, รอล่ะเป็นของพราม์เองพวามต้องก็เลยรับเอาความทุกข์ความโกรธคนที่ด่าคนอื่นเขาโกรธเต็มทีอยู่แล้วแล้วก็ยิ่งทุกข์เข้าไปอีก ถาด่าแล้วเนี่ยยังทุกขเข้าไป้าไม่ด่าก็ทุกน้อยถ้าไปด่าก็ทุกเพิ่มเข้าไปแช่ไหมฮะคนสะอาดถ้าไม่ด่าก็ยังพออยู่ได้ถ้าด่าก็เพิ่มไปเสียใจมากมากเหมืนอนโยมคนหนึง่งร้องไห้เยู่สามีตายก็แล้วคิดถึงคําสามีพูดยังร้องไห้จังเลิศหัวใจเลยคําพูดที่สามีว่าอย่างไาางวันั้นสามีเขาวันเหนื่อย ยาก็ทางานหนัก <c oughs> ทาได้ตอนนี้ก็เหนื่อยนอนบนก็ตอ้อไรไปด่าใช่มพอออกวางก็ไปทากําแดดกําร้อนมาตอียังนอนอยู่เซตอนนี้ก็ทางานหนักก็มอกตบอดคนอื่นนะคนทางานหนักมอกตบอคนอื่นนะใช่ไหมเรางานหนักีอกติบคนอื่นใจคอไม่คดีนะธรรดะนะดนะมาดาชามีตอ น, นี้ก็ฟัง โอ้ยจะด่ากันท้อขันดาเลยผู้เคียดผู้โ้นเสียใจที่หลังเนี่พผเขียดผู้โศนผู้ทำกินทำอยากปากามเครียดก็ดีดอกเครียดเราก็ทีว่าลดประเด็นและผู้สามีตายไปคิดถึงคำพูดคำนี้ทีเดยคิดทุกข์อยู่ตลอดเวลาเสียใจเพรสามีไม่ตกถ้าเราด่ดาเขาเนึ่นถ้าเขาไม่โกรธลองดูนะคุณศาตร์ ใครก็ ต, ตามนะยายกินตามยากปากตามเครียดจเจ้าเครียดอย่างนั้นอาจะมาด่ากถ้าพูดคํานี้นะจะเสียใจถ้าตอบก็นี้ไม่เสียใจเขาด่ามาเราด่าตอบไม่มีลึกซึ้งเลยถ้าเราไปด่าเขาเขาไม่ด่าตอบเนี่ยอือเจ็บใจนะถ้าเขาด่าตอบไม่เจ็บใจเรยใช่ไหมพิศดารมันแบบสนุกเย่ยเขาด่ามาือเราด่าไป ถ้าเขาไม่ตอบเ่านี่พถ้าหลายวันไปจะเสียใจด่สามีสามีไม่ว่าอะไรพราสามีดา่าปัญญาปัญญานิ่งตาไปยิ่งคิดหวงกันคิดถึงคนนี้ไปกอดถึงเผาศพหมดสามีเผาศพข้างน้านลกูกกอไผ่ใส่วันหนึ่งวันหนึ่งเขาจะไปดูแลกอไผ่ที่เขาปลู ก, ลกในหลุมผงศพกอไผ่หนึ่ง เตียนซะเลยเขาคิดคคิดถึงคำพูดทองเนี้นะคิดถึงคำพูดที่สัอพัญญาเขาด่าแล้วเขาไม่โกรธเนี่ยตองพรามตอนนี้ก็เหมือนกันด่าพระเจ้าพระเจ้าไม่โกดก็เกิดศรัทธาหรือเปลเกิดศรัทธาตายเป็นความรักเป็นความเคารก่อ น, นเพราะคำด่าแท่แทํทำห้เกิดศรัทธาทให้เกิด ยินดีที่ไม่เกิดเคาเรพนเราจะเอาความโกรธไปทำลายเราชนะความโกรธ ด, ด้วยความไม่โกรธเราชนะความตืนน่นด้วยการให้เราชนะความโลภโดยความไม่โลภอย่างนี้นะอัะนนั้ก็สว่างแล้วนะกรับพระพ้องกันแล้ว ตมมตัมรุตตระภะภะตะัหันตัมิวันิวะกตะระะมสอะมะมะสัมิุปิปโนปะวะโตสะวะสัสัมะ